ได้ครบแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองแท้จริงตามกฎหมายแล้วก็าจะเกิดความห่วงนะว่าบ้านกำลังเสื่อมหลังคารั่วหรือว่ากำแพงก็กำลงังจนะพังก็ต้องคิดว่าจะหาทางซ่อมแซมอย่างไรบางคนก็จะสื้บ้านของเรามันหลังเล็กไป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 ส่วนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติมีสติที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่ใจเผลอไม่มีสติรูส้สตสติอ่อนาใจก็ อ, อาจจะกลายเป็นเหมือนกับคนจรจัดไร่บ้านเลือดจะยิ่งกว่า น, นั้นนะก็คือถ้าเราไม่ไม่หาบ้านให้ใจเนี่ยใจเรามันจะจะไปอยู่ในคุกแทน ถ้าเราไม่มีบ้านให้ใจเนี่ยสิ่งที่แทนที่ก็คือคุกของใจคือเล่นล่อนไปเล่ล่อนมาก็ไปเข้าคุกเลยนะคุกเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรือนจำนะที่สร้างด้วยอิดนะก่อด้วยปูนอันนั้นยังเป็นเป็นคุกที่ยังหยาบอยู่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 ายคนอยู่ในคุกนะมันแค่ขังตัวเขาแต่ว่าใจเขาเป็นอิสระอย่างคานทีเนี่ยนะการอยู่ในคุกนี่เป็นเรื่องสบายสำหรับเขาเลยทีเดียวอยู่ในคุกก็ปฏิบัติธรรมเจริญสติหรือว่าทำสมาธิเขียนหนังสือมันเป็นภาวนามีความสุขนะ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 รถชนกันหรือเจิอุบัติเหตุรถยนต์กระแทกทำให้เส้นประสาทนะตั้งแต่คอลงไปนี่เสียหมดเล ย, เ ย, ยขยีงเขีัยอะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทำได้แค่กับพิบตายัางดีที่ยังกินข้าวได้แต่ก็กินได้ลำบากแล้วก็ต้องฟีดเอาทางสายยางแต่เขาก็ใช้การกับพิบตานี่แหละเขียนนิยาย a b c d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 อารมณ์เหล่านี้แหละความรู้สึกผิดบางนี้ก็กังวลนะกังวลจมอยู่กับบ่งบุญอยู่กับอนาคตที่น่ากลัวเช่นบางคนเป็นมะเร็งไปโรครายเนี่ยรักษาไม่หายก็คิดถึงแต่ความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวจิตใจก็กลัวตื่นตนหนกยอมรับ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 แล้วความโกรธแค้นด้วยพาอรู้ก็อาจจาะ ย, ยังน่ารักอยู่หลายคนเนี่ยไปกังวลอยู่กับอนาคตจนปล่อยให้เวลาปัจจุบันซึ่งมันมีค่าเพาะเป็นสิ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราจะทำอะไรดีๆให้กับคนรักของเราได้ปล่อยให้โอกาสแบบนี้มันผ่านเลยไปเพราะอะลรเพระติดคุกนะคุกแห่งความวิตกกังวลนะจมอยู่กับ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคนจำนวนมากนี่ก็อยู่ในคุกชนิดเนียเยอะเลยวันหนึ่งก็หลายครั้งนะคุกของใจเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยนะพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ออกจากคุกนี้ได้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 ก็เลยปล่อยใจให้จมอยู่กับอารมณ์ความคิดนะเกี่ยวกับอดีตบ้างอนาคตพังจมอยู่กับความโกรธความครับแค้นความเศร้าโศกแล้วถ้าไม่ระวังนะไอคุกของใจนี่แหละมันจะพาเราเข้าสู่คุกที่ทำด้วยก่อ้วยอิจ้างด้วยปูนก็ได้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 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากต้องการออกจากทุกนี้ก็ต้องไปจัดการกับเขาเช่เนไปด่าว่าเขาหรือไปทำร้ายเขาบางทีเอาถึงตายฉะนั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี่เป็นเพราะไอ้คุกที่ว่านี่ต่างหากเงื่อนไม่รู้เนี่ยนะไปคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากคนอื่นเขาทำาท ก, าก็ก เ, ำเลยไปทำร้ายเขา ก็เลยต้องเข้าไปในคุกนะที่ก่อด้วยอิสรงด้วยปูนแทนบางคนกว่าจะมารู้ก็โอ้ถล่มก็ไปลึกแล้วพวกเราคงรู้จักนะ่ะหมอวิสุทธ์วุนเกษมสันติเนี่ย <c oughs> เคยเป็นรองศาสตราจารย์นะของคณะแพทย์จุลาลองกรมาอัธไล ก็เป็นคนที่มีสถานหน้าที่สูงแ ล, และการยกย่องแถมยังมีฝีมือในเรื่องการทาเด็กหลอดแก้วเป็นหมอสูเนี่ยย่ามีติดอันดับนะติดอันดับต้นๆของอาเซียนเลยหรือทวีเอเชียด้วยซ้ำในเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วแต่วันดีคืนนี้ก็กลายเป็นนักโทษประหารศาลตัดสินว่าฆ่าภรรยาของตัว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 คุกที่ก่อด้วยอิดท่าในปูนนี่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะออกมาได้ใครที่ใจร้อนแหกคุกก็ จ, จะโดนยิงตายไอ้คุกที่ทำด้วยกายหรือเนื้อนี่มันก็อาจจ่อมไม่ได้เลยนะเพราะว่าพิการตลอดชีวิตหรือเอามาพึกเอาม า, าพาดติดเตียงไปจนตายแต่คุกของใจนี่ออกได้ออกได้ง่าย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 แต่ว่าถ้าทำ บ, บ่อยๆทำ บ, บ่อยๆกลับรู้สึกตัว บ, บ่อยๆเนี่ยมันก็จะไอ้คุกที่วางก็จะละลายนะเหลือนหายไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรานะกลับไปบ้านถึงบ้านวันนี้นะก็อย่าลืมว่าเรามีภารกิจที่ควรจะทําทต่อไปถ้าว่าเรารักตัวเองนะก็คือการหาบ้านในใจนะให้มันนะ อาจจะอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันอยู่เนืองๆทาอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นซึ่งก็อาจจะคิดง่ายๆก็เพราะว่าเวลาทําอะไรก็ทําทีละอย่างนะทำทีละอย่างแล้วก็ทําด้วยใจเต็มร้อยถูฟันก็เอาใจใส่ลงไปในการถูฟันนะ ถูฟันด้วยใจเต็มรอยไม่ใช่ใทำครึ่งๆกลางๆถูฟันไปก็คิดเรื่องเรื่องงานเรื่องการไปด้วยกินข้าวก็นึกถึงเรื่องงานเรื่องการไปด้วยใจนี่มันแตกเป็นเสียเส่ยงๆกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยคิดงานการไปด้วยเล่นไลน์ไปด้วยเช็คเมลไปด้วยเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ทาไม่ได้กินข้าวด้วยใจเต็มรอยล้าจะหาความสึกตัวจากไหนฝึกซะจากวันนี้นะ เอาเอาเอาการปฏิบัติที่เราได้เรียนรู้เนี่ยนะไปสานต่อเมือ่อเรากลับไปที่บ้านหรือว่าไปที่ทำงานก็แล้วแต่ชาตินี้ก็พูดกันเท่า น, นีีน ะ, ะกราบคระ